4 สักกัจจวัคหมวดว่าด้วยความเคารพสิกขาบทที่ 1 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระ 1 พึงทำความสำเนียกว่าจบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันบิณฑบาตโดยคือ 1 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 1 จบสิกขาบท 2 เริ่มพระชัพพคีสมัยนั้นพระ อารามของอนาถปีนิกะเศรษฐีเขขรังๆเมื่อเขากําลังเกลี่ยบินทบาดเสร็จไปแล้ว สิกขาบทวิภังภิกษุพึงมีความสําคัญคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้มีเหตุขัด 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้นบัญญัติ 2 จบสิกขาบทที่ 3 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี โภภิกษุชาภัคคีฉันบินทบาทเจาะลงใน 3 พึงทําความสําเนียกว่าจบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงฉันบินทบาทไป อนาปัตติวาระภิกษุ 1 อนภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุ ภิกษุวิกลจริต 10 ภิกษุต้นบัญญัติ 3 จบสิกขาบท 4 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ละถึง 4 พึงทําความสําเนียก ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันเฉพาะแก่งมากต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุ 8 ภิกษุฉันเพื่อผู้อื่น 9 ภิกษุ 10 ภิกษุ 11 ภิกษุ 12 ภิกษุต้น 4 จบสิกขาบท 5 เรื่องพระจักขภคีสมัย อารามของอนาถปินิกาเศรษฐีเขโครงสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีจบสิกขาบทวิภัง ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบาทคอยุ้มลงแต่ยอดต้องคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุว่า 6 ภิกษุ 7 ภิกษุวิกลจริต 8 ภิกษุต้นบรรยัติสิกขาบทที่ 5 จบสิกขาบทที่ กับข้าวบ้างเพราะอยากได้มากละหรือกับ เพราะอยากได้มากต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุต่อ 1 เพภิกษุ สิกขาบทที่ 6 จบสิกขาบท 7 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสาคยะบุตรจึงออกปากขอแก่งบ้างข้าวสุกบ้างมาฉันส่วนตัวเล่าว่าฉะไหนพวกภิกษุ เอาสุขบ้าง พวกเธอขอแกง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 เรื่องภิกษุผู้เป็นไข้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้<อ> แต่เดี๋ยวนี้พวกพระผมมีความยำเกรงอยู่ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ออกปากขอแกง สิกขาบทวิภังภิกษุไม่เป็นไคลไม่พึงออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุขอจากญาติ 6 7 จบสิกขาบท 8 เรื่องพระจักรภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค มองดูบาปของภิกษุเหล่าอื่นเรื่องพระจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงมุ่งตำหนิมองดูบาปของ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุแลดู 5 ภิกษุ 6 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7 ภิกษุวิคคนจริต 8 ภิกษุต้นจบสิกขาบทที่ 9 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันจบสิกขาบท ภิกษุไม่พึงทำคำกล่าวให้ใหญ่เกินภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อทำคำกล่าวให้ใหญ่ 7 ภิกษุชั้นแข็งภิกษุผู้มีภิกษุวิกลจริต 10 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 9 จบเรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระ คร้ JM พุกฟักระีโ Одจ visa ท distancing พุกธุ yang四 Manager 4ฝ przygotoshpaki ทำคำ6ajo и distillate on飽快空 และถึงพระบัรรยับ 10.พึงทำความสําเหน hurtingว่าเราจะทำคำ6ajoให้กลม เรื่องพระชพลักขีจบศึกค้าบทวิภัง พิศักรณ์พึงทำคำ6aj alternate для Forest farming พิศักรณ์Pe deme κά Value clouds No 1 ฝึกธรรับทำคำ7 verbs่าova She county для daylight ทำคำ7休ย梲 ต้องอาบัททุก ภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุๆ7 ภิกษุ 8 ภิกษุผู้ 9 ภิกษุ 10 ภิกษุ สิกขาบทที่ 10 จบสักกัจจวัคที่ 4 จบ 5 กับภัลวะกหมวด 1 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันหารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขต สิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงอ้าปากรอคํากล่าวที่ยังไม่ถึงปากภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้ออ้าปากรอที่ยังไม่ถึงปากต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุต่อนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 1 จบสิกขาบท 2 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระ ขณะกําลัง ขณะกำลังฉันสอดมือทั้งหมดเข้าไปในปากต้องอาบัติทุก สิกขาบทที่ 2 จบสิกขาบท 3 เรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มี 3 พึงทำความเรื่องพระจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงพูดคุยขณะที่ในปาก คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 3 จบสิกขาบท 4 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระจบสิกขาบท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 7 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 8 ภิกษุ 9 ภิกษุต้น 4 จบสิกขาบท 5 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มี ฉันกัดคำข้าวละถึงพระบัญญัติ 5 จบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงฉันกัดคําข้าวภิกษุใด คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ 4 ภิกษุผู้เป็น 5 ภิกษุฉัน 6 ภิกษุฉันๆ7 ภิกษุฉันแกง 8 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 9 ภิกษุวิกลจริต 10 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบท 5 จบ สิกขาบทที่ 6 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ เราจักไม่ฉันอาหารทำกระพุ้งแก้มภิกษุไม่พึงภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันทำกระพุ้งแก้มคือ 1 เราเรภิกษุ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุๆ6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 6 จบสิกขาบท 7 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันจบสิกขาบท ภิกษุไม่พึงฉันสลัดมือภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุสลัด 6 ภิกษุ 7 ภิกษุวิคนจริต 8 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 7 จบสิกขาบท ละถึงพระบัญญัติ 8 พึงทําความสําณีจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงฉันโปรยเมล็ดข้าว คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มี 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 8 จบสิกขาบท 9 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันอาราม ภิกษุไม่พึงฉันแลบคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุไม่ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ สิกขาบทที่ 9 จบสิกขาบท 10 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เราจักไม่ฉันทําเสียงดังจับๆเรื่องพระ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 10 จบครภละวัค 5 จบ สุรุสุรุวรรคหมายว่าด้วยการฉัน 1 เรื่อง 1 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับเร ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งกล่าว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอล้อเหรียญสงฆ์จริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคคบุรุษไฉนเธอจึง มิได้ทําคนที่แล้วให้เลื่อมว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ เถรพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุนั้นโดย ภิกษุไม่พึงฉันทําเสียงดังสุดๆภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุ 6 ภิกษุวิกลจริต 7 ภิกษุต้น 1 จบสิกขาบท 2 เรื่องประชัปกีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พระบัญญัติบัญญัติ 2 พึงทำความสำเหนียกว่าเราจักไม่ฉัน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 เกคุรุงสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีฉันเลียบาทละเรื่องพระจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงฉันเลียบาทภิกษุ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุกว่าเข้า 6 ภิกษุผู้ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 3 จบ สิกขาบทที่ 4 เรื่องพระชาภคีสมัย เรื่องพระชาภคี 1 เรภิกษุเรเร 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 4 จบสิกขาบท 5 เรื่องพระหลายรูปสมัยนั้นพระ ภิกษุใช้มือเปื้อนอาหารจับว่า ฉะนั้นภิกษุจึงใช้มือเปื้อนอาหาร ทราบว่าพวกภิกษุใช้มือเปื้อนอาหารว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้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 ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อจะพาชนะคือ 1 ภิกษุไม่จง 2 ภิกษุไม่มี 3 ภิกษุผู้ไม่ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุละ 6 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 5 จบสิกขาบท 6 เรื่องพระหลายรูปสมัยนั้นพระ ภิกษุทั้งหลายเทน้ําล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านใกล้ บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันๆแล้วจึงนําเรื่อง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นจริงหรือภิกษุ จึงเทน้ําล้างปากที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเหล่าภิกษุ เราจักไม่เทน้ําล้างบาทที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเรื่องพระหลายรูปจบวาระภิกษุ คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุผู้เป็น สิกขาบทที่ 6 จบสิกขาบทที่ 7 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ฉะนั้นพวกภิกษุฉาภักขีจึงแสดงธรรมแก่คนผู้คั่นร่มเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุฉาภักขีด้วยประการต่างๆแล้วจึงนำ ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสดงธรรมแก่คนผู้คั่นร่มจริงหรือพวกภิกษุชาปกีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าโมคคบุรุษทั้งหลายไฉนพวกเธอจึง หรือทําคนที่เลื่อม 7 พึงทําความสําเหนียกจบเรื่องภิกษุ ภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะแสดงธรรมแก่ ทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนไข้ลำดับนั้นพระผู้มีพระ เราจักไม่แสดงธรรมคือ 1 ร่มผ้าขาว 2 ร่ม ฤสีภาสิตเทวดาภาสิตที่ประกอบด้วยอัตที่ประกอบด้วยธรรมบดว่าแสดงคือภิกษุแสดงเป็นบทต้องอาบัติทุกกฎทุกทุก อานาปัตติวาระ เรื่องประชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน เรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าไม้พลองได้ ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไคล้ 7 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทจบสิกขาบทที่ 9 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระ บ่าวพึงทำความสำเนียกจบสิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าศาสตร์าได้แก่เครื่อง แสดงธรรมแก่คนไม่คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่ สิกขาบท 9 จบสิกขาบท 10 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระ 10 พึงทำว่าเราจักจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงแสดง